สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทับที่เชตวันนะครเมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีนี่ผู้ปกครองพระเจ้าประเสิทธิโกศลวันหนึงพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เสด็จมาเป้าพระพุทธเจ้าเนื่องจากเอ่อเป็นผู้ที่มีร่างกายอ้วนท้วนนะนั่งก็ไม่สะดวกดอึดอัดก็ไปรบเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้า ไม่มาปรึกษาธรรมะนะปรึกษาเรื่องปัญหาว่ารู้สึกว่าจะเคลื่อนขยับอะไรก็อุดอักนะพระเจ้าก็เลยแนะนําว่าให้พระเจ้าประเสียงที่โกศลมีสติบริโภคแต่พอเพียงนะจะช่วยลดทุกขเวทนาทําให้สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนพระเจ้าประเสียงที่โกศลมฟังแล้วก็เห็นดีด้วยก็เลยบอกให้ามาหาเล็ก จำเอาไว้ไว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะจำเอาไว้จำเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาพระเจ้าเปรติโกศลเนี่ยสวยพระยาหาเนี่ยก็ให้มหาเล็กเนี่ยพูดให้พระเจ้าเปรติโกศลฟังในข้อความที่ว่าเพื่อเตือนสติให้พระเจ้าเปรติโกศลเนี่ยไม่เพลิดเพลินในการบริโภคมากรู้จักยับยั้งชั่งใจ ก็ทํานี้มาเป็นเวลานานทีเดียวนะเป็นเดือนนะปรากฏว่าน้ําหนักรถนะเดินเหินก็สะดวกขึ้นจะนั่งจะขยับ ก, ก็ไม่อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนพ ร, ระเจ้าปเสนทิโกศลก็ดีใจมากนะว่าทำน้าหนักของบูจานี้นะมันไม่ใช่เป็นแต่เรื่องทางธรรมแต่เรื่องทางโลกก็มีประโยชน์นะก็เลยวันหนึงก็เลยไปฟังบจชาแล้วก็สารเสริจพระองค์ว่า ได้เอื้อเฟื้อประโยชน์ทั้งในทางโลกและทางธรรมทั้งประโยชน์ปนัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ปายภาคหน้าเพ mm hmm. ระฉะนิ้นที่กส่สเนี่ยต้องมีคนเตือนสตินะจึงจะบริโภคแต่พอประมาณแต่ว่าคนเราอย่างพวกเรานีคงจะไม่มีใครมาเตือนสติให้เรา บ, าบา mm ่อยๆเราก็ต้องมีสติของเราเองเพื่อที่จะเตือนเวลาเราบริโภคอาหารเนี่ยการมีสติก็สาคัญมาก มันไม่ใช่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราอย่างเดียวนะแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราด้วยดังนั้นถ้าเรากินอาหารเราต้องมีสติสุขภาพก็ดีใจเราก็จะมีสติงองงามขึ้นถือว่าเป็นการฝึกสติแบบหนึ่งนะการเจริญสตินี่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้จํากัดแค่เรายกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมเวลาเราไปตักอาหาร ล้วก็สังเกตดูใจของเราไปด้วยนะว่าใจของเราเป็นอย่างไรมันมีความอยากมันมีความรู้สึกเพลิดเพลินแม้จะยังไม่ทันได้ฉันไม่ไม่ทันได้เสพก็รู้สึกอร่อยแล้วเนหะ็นความรู้สึกพอใจที่เกิดขึ้นเวลาตักก็ตักแต่อพอเพียงนะและเวลากลับมานั่งกินอาหารเราก็กินอย่างมีสตินะเพราะว่าระ่งที่ กินเนี่ยนะสังเกตมาใจเราลอยใจเราคิดน้นคิดนี่ยิ่งอาหารอร่อยเนี่ย ย, ยิ่งเพลินในการคิดปากเคี้ยวนะัแต่ว่าใจก็เสกความคิดไปด้วยนะเราไม่ได้เสกอาหารอย่างเดียวนะเราเสกความคิดไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็บางทีก็ไม่รู้ตัวว่าเสกนะก็เลยกินเกินประมาณนะอย่างพระจาประสิทธิโกศนี่ก็ใจอาจจะลอยในหลอดที่กินด้วยแล้วก็อาจจะเพลิดเพลินในรสชาติของอาหารด้วย อันนี้เราก็ต้องมีสเตรู้ทันนะรู้ทันทั้งทั้งความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรากินอาหารใจลอยแล้วก็รู้ทันความอ ร, อร่อยความพึงพอใจความชอบที่เกิดขึ้นในระหว่า ง, งที่กําลังเคี้ยวด้วยถ้าเราไม่รู้ทันนะเราก็จะไม่รู้ประมาณในการกินหรือว่าในระหว่างที่ใจเราลอยเราเคียเค้ยวไปเคี้ยวไปบางทีก็เกิดความเครียดขึ้นมา หลายคนนะมีความเครียดในระหว่างที่กินอาหารไม่ใช่เพราะอาหารไม่อาาร่อยแต่เพราะว่าใจมันมีความกังวลหนักกหนักใจกับเรื่องที่คิดนะถึงตอนนั้นเนี่ยการย่อยมันก็ไม่ดีการย่อยไม่ดีก็ทำให้ท้องอืดบ้างหรือว่าทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอันนี้ก็เกิดจากการที่ไม่มีสตินในการกินด้วยไม่มีสตินในการกินก็คือว่าไม่รู้ตัวว่ากินอะไรไม่รู้ตัวนที่กินแต่ว่าใจ มันไปคิดโน้นคิดนี้จนเกิดความกังวลเคี้ยวก็เคี้ยวไม่ละเอียดนะเพราะว่าไม่มีสติในระหว่างที่เคี้ยวอาหารตกเข้าไปเต็ท้องมันก็ย่อยได้ไม่เต็มที่เพราะว่ากำลังพลังงานส่วนก็ไปใช้กับการคิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินอย่างมีสตินะมันก็ช่วยทําให้สุขภาพกายดีด้วยแล้วก็ สุขภาพจิต ก, ก็ดีขึ้นเพราะว่ามีสติเป็นเครื่องรักษาที่จริงเนี่ยก่อนก่อนที่จะบริโภคนี่นะหรือก่อนที่จะฉันในพระก็จะมีการสวดไปด้วยหลังจากให้พอแล้วก็มีสวดพระสวดปฏิสังขายโยไอโยนี่มันมาจากคำวิญญานที่สูมรณสิการแต่ว่าการรู้จักคิดท่านสวดอะไรนะปฏิสังขายโยเนี่ยก็สวดว่า เรากินอาหารเนี่ยไม่ใช่เพื่อความเพื่อเพื่อสนุกสนานไม่ใช่เพื่อความโกเกะไม่ใช่เพื่อความอวดอวดมั่งอวดมีหรือเพื่อความสวยงามประดับประดาร่างกายไม่ได้กินเพื่อสวยไม่ได้กินเพื่อหลอไม่ได้กินเพื่อเท่แต่กินเพื่อบำบัดทุกขเวทนาบำบัดทุกขเวทนาคือความหิวนั่นแหละเรากินเพื่อบำบัดความหิวแล้วก็ไม่ทําทุกขเวทนามาให้เกิดขึ้น ทุกวัฒนาหม่ที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือความจุกนะจุกเสียดความยิ้มหายไปแต่จุกเสียดประธาทนเทีย น, นี้ก็ไม่ถูกเรากินเพื่อไม่ให้ความหิวเพื่ อ, อบรรบาตความหิวและขณะเดีย ก, กันก็ไม่กินเกิดประมาจนเกิดความจุกเสียดขึ้นมาและกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เรียเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพก็คือเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้แล้วก็เพื่ออนุเคราะห์กับการประพฤติพรหมจรรย์อ่าพรหมจรรย์ในที่นี้ก็คือว่าการ มีชีวิตที่ดีงามมีชีวิตที่ประเสริฐหรือมีการการะทำที่ประเสริฐซนะึ่งพวกเราผู้ครองเรือนก็สามารถจะบาเพ็ญพรหมจรรย์ได้ไม่ใช่ไม่แต่งงานไม่ใช่ไม่มีความสมพเร็จประเภศแต่หมายถึงว่าการที่เรามีศีลมีคุณธรรมพรหมจรรย์นี่นก็มีความหมายหลายอย่างอย่างก้อนเสือคือการมีศีลนะเช่นศีลห้านี่ก็ถือว่าอ่าเป็พรหมจรรย์ความรักเดียวใจเดียว ของสามีภรรยาก็ถือว่าเป็นพรมจรรย์ได้นะเพราะว่าพรมจรรย์แปล ว, ว่าการปฏิบัติที่ดีงามนี่เราเราที่พระก่อนจะฉันนี่ท่านก็จะสวดปฏิสังขิโยนะอันนี้เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์เกาะเพื่อเตือนจิตเตือนใจว่าเราไม่ได้กินเพื่อความเป็นอร่อยนะอาหารมันจะมีรสชาติอย่างไรถ้ามันมีคุณถ้ามมีประโยชน์ต่อร่างกายก็กินไปนเถิดนะอย่าไปติดที่รสชาติหรือว่าถ้ามันอร่อยก็อย่า อย่าเพลิดเพลินในการกินนะจนระทั่งมันเกิดความจุกความเสียหรือเป็นโทษต่อร่างกายบางคนอาจจะไม่จุกเสียนะแต่ว่ามันทําให้ไขมันเพิ่มน้ําหนักเพิ่มก็จะมีปัญหาขอางพระเจ้าประเสรนะิฐโยโซนอึดัดหรือว่าอาจจะเกิดโรคร้ายแรงในระยะยาวก็ทําให้เรานะไม่สามารถจะใช้ชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อคูณได้อันนี้คือการเตือนจิตเตือนใจนะประสงค์ เพื่อใหอ้เราเนี่ยบริโภคเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆไม่ใช่ให้พูดง่ายๆแบบภาษาชาบ้านคือว่ากินเพื่ออยู่นะไม่ใช่อยู่เพื่อกินอันนี้ก็เป็นการเจริญเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งนะซึ่งพวกเรานักปฏิบัติธรรมก็สามารถจะนาไปปฏิบัติหรือทดลองใช้ได้ถึงแม้เราจะสวนเป็นภาษาบาลีไม่เป็นก็าตาม